เหมือนอยู่ท่ามกลางผู้ปกอบการรายปิดหน้าก็ปิดใบก็ดีแล้วเชื่อโรคเยอะช่วงนี้ส่งกันบ้านพวกอยู่บ้านมาตรงนี้เลยใกล้ๆเลย อืมดอมีอันนั้นเป็นอาการของจิต น, นะนะรู้ไปแต่จุดสำคัญตอนนี้ก็คือจิตไม่เข้าฐานจริงจิตอยู่ข้างนอกรู้สึกไหมอย่าหนีออกไปอยู่ข้างนอกหนีไปข้างนอกมันจะสบายเพลินๆไปถ้าย้อนมาดูที่กายที่ใจจริงๆจะเห็นแต่ทุกนะเวลา ปฏิบัติเนะี่ยให้รู้ทุกไวให้รู้สึกกายรู้สึกใจให้ใจอยู่กับตัวเองเวลาเหน็ดเหนื่อยหรือทุกข์มากทนไม่ไหวก็ค่อยทําสมาธิอยเนี้ยจิมติดสมาธินะติดว่างๆนิ่งๆสบายเดิยนย้อนเข้ามาหาตัวเองหายใจไหใหายใจนละความรู้สึก หายใจเรารู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวเราทำสิอย่าหายใจอย่างนั้นหายใจงั้นเหนื่อยตายเลยมันหายใจอยู่แล้วหายใจธรรมดานี่แหลแค่รู้สึกว่าร่างกายกาลังหายใจอย่าตั้งใจมากนะตั้งใจมันจะแน่นเนี่ยแกล้งทาใจให้ซึมแล้วอย่าน้อมใจให้ซึม รู้เนื้อรู้ตัวไปเอาเขายอมเลื่อนมาใกล้ๆห น, ะน่เวละไม่รีดหม่มีมืม้ อืม อ, อื ม, อ ม, อมไปทำต่อไปดูสภาวะนะที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเอ อ, อ, อดีอืมอ่ะนไม่ต้องตื่นแต้นะ่ะนูภาวนาได้ดีอยู่นะ อืให้ให้รู้ทันว่าจิตไปอยู่ที่เทา้าแค่รู้ทันนะไม่ต้องแก้แล้วจิตมันแก้ตัวมันเองอเออรู้ว่าจิตไปอยู่ที่เทา้าไม่ชอบที่จิตไปอยู่ที่เทา้ารู้ว่าไม่ชอบนะมันจกเข้ามาที่จิต อเออนั่นแหละความคิดทั้งนั้นแหละให้รู้ทันว่าจิตฟุง้งซ่านรู้รู้เข้าไปเลยวันนี้จิตมันพูดจิตมันพูดคือจิตมันฟุง้งซ่านรู้ไปไม่ต้องแก้คำว่าแก้ไม่มีนะคำว่าแก้เป็นเรื่องของสมถะมีปัสน า, ามีแต่รู้อย่างที่มันเป็นดี ก็จากมิจฉาสมาธิเป็นสมาธิที่รู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาแล้วดูออกไหมมุดคนละแบบกันรู้สึกไหมอันเนี้มันเหมือนเราตื่นเราก็สดชื่นด้วยอออเอออืเที่ธรรมเก่าไมา่เอ า, าเป็นเป็นมิจฉาสมาธินี่อยู่วัดป่ะไม่ได้อยู่ คนนี้ลงพ่อไว้ที่หลังเพราะพูดมากหง่เหงให้เอาใจเรายัางฟุ้งนะใจยังฟุ้งซ่านเก่งงั้นเราหายใจไปบริกรรมไปอะไรก็ทำเออก็พูดโธไปหรือบริกรรมอะไรก็ได้แต่อย่าไปเปลี่ยนบ่อยๆนะไม่ใช่ เดี๋ยวก็บริกรรมอันนี้เดี๋ยวก็บริกรรมอันนี้มันจะไม่ได้หลักการทำกรรมฐานอย่าเปลี่ยนบ่อยเราใช้เครื่องอยู่อะไรก็ใช้อันนั้นนะถ้าเราเปลี่ยนบ่อยอยางเช่ว่าตื่นมาแล้วก็พุโทโธพุโทโธนะเดี๋ยวหนึ่งพอใจเริ่มฟุ้งซ่านเอาไปหายใจอีกแล้วหายใจสักพักหนึ่งอื่นอา่านะไปเดินอีกแล้วเปลี่ยนตลอดเวลามันจะจับหลักไม่ได้คือมันจะไม่ได้จิต เพราะฉะนนถ้าเราจะพุโทโธอ็พุโทโธให้เด็ดเดี่ยวลงไปนะพุโทโธไปแล้วใจสงบก็รู้พุโทโธแล้วใจฟุ้งซ่านก็รู้พุโทโธแล้วมีความสุขก็รู้พุโทโธแล้วมีความทุกข์ก็รู้เราถึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของใจแต่ถ้าเราจับจดนะเปลี่ยนอนะารมณ์กรรมฐานเรื่อยๆนะใจที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเราดูไม่ออกว่ามันเปลี่ยนเพราะอะไรอย่างพุโทโธแล้วเครียดเนี่ยก็ไปทําอย่างอื่นอนะไรเงี้ยแล้หาย เนี่ยเราบอกว่าจิตไม่เที่ยงจิตมันไม่เชื่อหรอกว่าจิตไม่เที่ยงหรือจิตเป็นอนัตตามันรู้สึกว่าจิตเปลี่ยนแปลงได้นะเพราะว่าเราเปลี่ยนอารมณ์ไปนั้นการเปลี่ยนอารมณ์บ่อยๆนะเปลี่ยนอารมณ์กรรมฐานบ่อยๆเราจะจับจิตไม่ได้งนั้นทำให้มันเด็ดเดี่ยวไปหายใจก็หายใจไปหายใจแล้วฟุ้งซ่านก็รู้หายใจแล้วสงบก็รู้อะไรฝึกไปเรื่อยๆแล้วเราจะพบว่า เราทำสิ่งเดียวกันนะสิ่งเดิมนั่นแหละแต่แต่ละวันแต่ละเวลาเนี่ยจิตต่างหากที่ไม่เหมือนเดิมนะดูไปแล้วจะเห็นว่าจิตมันเปลี่ยนแปลงนะทงั้งทั้งที่เราก็ทำเหมือนเดิมแหละแต่ถ้าเราเปลี่ยนกายกระทำของเราไปเรื่อยแล้วจิตเปลี่ยนใช้ไม่ได้มันก็เหมือนคนในโลกอะพุ่มใจขึ้นมาก็าไปเที่ยวไปคุยกับเพื่อนไปดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ย แลาจะมาบอกว่าจิตเป็นอนัตตาจิตที่ทุกข์ไม่เที่ยงเนี่ยจิตไม่เชื่อมันจะรู้สึกว่าเราทำได้เราเปลี่ยนอารมณ์ซะจิตที่เคยทุกข์ก็ไม่ทุกข์แล้ะยิ่งหลงผิดหนักกว่าเก่าอีก ไม่ต้องลดบอกแล้ววิปั ส, สนาไม่ทําอะไรแค่โกรธแล้วรู้ให้ไหวเท่านั้นแหละนะต้องแปลว่ามันจะลดหรือไม่ลดก็เรื่องของมันเออดีถ้าเราเป็นพวกโทสะเยอะเราก็ดูจิตเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธตัวเอง คนจีนไม่กลับบ้านกันเลยหรอจะตรวจจีนแล้วแต่ตอนนี้กลับไปเมืองจีนตอนออกมาเขาคงตรวจเข้มนะเขากลัวโรคระบาดเมืองจีนมีโรคระบาดเกิดบ่อยๆเพาคนมันเยอะคนอยู่กันแนอักน่นเป็นอะไรคนหนึ่งก็ติดกันเยอะ บางประเทศคนไม่ค่อยมีอ่ะ่งประเทศนิวซีแลนด์ไม่ค่อยมีคนโรคไม่รู้เจระบาทได้ไงหนึ่งไม่มีคนวันจุดจีนวันสิ้นปีนะมันก็วันธรรมดาเท่านั้นแหละแต่สมัยโบราณมันมีความหมายเป็นวันที่เปลี่ยนฤดูกาลอย่าพน้นฤดูหนาวละ พอฤดูหนาววิถีชีวิตมันก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วทุดทีนหรือวันสำคัญต่างๆนะมันเป็นเครื่องสังเกตนะชีวิตเราผ่านไปช่วงหนึ่งแล้วอย่างชีวิตเราในปีที่ผ่านมานี่กำลังหมดไปสิ้นไปแนละ้วจะเริ่มวันทุดทีนวันปีใหม่นะชีวิตใช่ไหมพวกนี้ พีวันหนึ่งค่ำไม่ใช่เหรอไม่ใช่หนึ่งค่ำหรอวันพรุ่งนี้สิหมายถึงพรุ่งนี้เพราะวันนี้วันวันสิ้นปีแล้วนะพรุพ่งนี้วันปีใหม่เนี่ยเราก็มีชีวิตมาแก่ไปอีกหนึ่งปีนะเราก็ตายไปหนึ่งปีเอาคืนไม่ได้แล้ว แต่หนึ่งปีที่ผ่านมาเราได้อะไรไปเยอะนะเรามาศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะนะจิตใจเราเปลี่ยนแปลนต่อนะไปเราจะพบว่าผ่านไปหลายๆปียนปะีคนที่เรารู้จักเนะี่ยกับเราเนี่ยจะแตกต่างกันมากเลยคนที่ศึกษาธรรมะนะจิตใจจะโปร่งโล่งเบามีความสุขอยู่ได้ในทุกๆสถานการณ์เราหันไปมอง เพื่อนๆ เ, เรารอบๆตัวเราญาติมิตรเรานะที่เขาไม่ได้ปฏิบัตนะิจิตใจเขาไม่ได้มีความสุขจริงนะมีแต่วุ่นวายบางคนเขาอาจจะรวยนะแต่เขาไม่ได้มีความสุขจริงนะของเรามีความสุขจะรวยหรือจะจนเราก็มีความสุขได้เพราะจิตเรามันสุขสี่อย่างเดียวให้เราเราค่อยๆฝึกเรียนรู้จิตใจตัวเองไป การฝึกจิตใจชัวรถ้ า, าจิตใจมันมีความสุขเนี่ยนะมันก็คือวิธีการมันนะก็คือเรียนรู้ความทุกข์เรียนรู้สิ่งที่เรียกว่าทุกข์สิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือร่างกายกับจิตใจของเราเองเราคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายต่อไปเราจะเห็นนะร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์ร่างกายไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษอะไรครับ พอเราเห็นว่าร่างกายเป็นตัวทุกข์นะยืนอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นั่งนอนก็ทุกข์เนี่ยเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยต่อไปพอร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายมันจะไม่รู้สึกว่าเราแก่เราเจ็บเราตายแต่มันจะรู้สึกว่าตัวทุกข์มันแก่ตัวทุกข์มันเจ็บตัวทุกข์มันตายใจเราจะเปิกบานนะไม่เศร้าหมองเพราะว่าความแปรปรวนของร่างกายยังไงก็ต้องแปรปรวนไม่มีใครอยู่คำฟ้า แล้วเรามาดูในจิตใจเราเราจะพบว่าในใจเราเนียก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาความสุขผ่านมาแล้วก็ไปความทุกข์ผ่านมาแล้วก็ไปความเฉยๆฉยไม่ทุกข์ไม่สุขผ่านมาแล้วก็ไปความดีความชั่วทุกสิทุกอย่างที่ผ่านมาในใจเราเนียผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทั้งหมดพอเราใจเราเห็นความจริงตรงนี้แล้วนใจมันจะหมดความอยาก อย่างที่ผ่านมานเราอยากมีความสุขแต่พอมีปัญญารู้ว่าความสุขก็ของชั่วคราวความอยากที่จะมีความสุขตลอดไปลามก็ไม่มีความอยากไม่เกิดความทุกข์ในใจก็ไม่เกิดอย่างเรามีความทุกข์เกิดขึ้นแต่เดิมเราอยากให้มันไม่ทุกข์มีความอยากมันยิ่งทุกข์ใหญ่เลยเวลามีปัญหาในชีวิตนะมีความทุกข์ขึ้นมาเราอยากให้มันไม่มีปัญหาอยากให้มันไม่มีความทุกข์มันยิ่งมีความทุกข์มากกว่าเก่า นี่เราคอดูจิตใจเราไปเรื่อยๆแต่ก็เห็นว่ความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวนะพอเราเห็นอย่างเนี้ยความสุขเกิดขึ้นเราก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดตลอดไปเพราะเรารู้ว่าวันหนึ่งมันก็ต้องหายไปความทุกข์เกิดขึ้นเราก็ไม่เศร้าใจไม่เสียใจเนะพราะเรารู้ว่าความทุกข์ก็ของชั่วคราวเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในความรู้สึกของเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลย คนในโลกนี้นะเหน็ดเหนื่อยมากดิ้นรนมากแล้วก็ได้รับความทุกข์มากเนะี่ยเพราะอยากได้ความสุขนะเพราะว่าเกลียดความทุกข์แต่ถ้าเราพาวนาจนใจเราเป็นกลางต่อความทุกข์และความสุขนะใจมันจะไม่หวั่นไหวความสุขเกิดขึ้นใจก็ไม่หวั่นไหวไม่หลงยินดีใจมันฉลาดรู้ว่าเดี๋ยวก็หายไปความทุกข์เกิดขึ้นใจก็ไม่หวั่นไหวนะรู้ว่าความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวเดี๋ยวก็หายไป งั้นใจเราจะเข้าสู่ความเป็นกลางไม่อยากโน้อนอยากนี้ไปเรื่อยนะใจที่มันอยากเพราะมันไม่เป็นกลางอย่ามันอยากได้ความสุขเพราะมันชอบในความสุขมันเกลียดในความทุกข์มันอยากจะไม่ทุกข์เพราะอะไรเพราะมันชอบความสุขเพราะไม่เกลียดความทุกข์อีกนัน่นแหละงั้นใจเราติดอยู่ในความสุขพระพุทธเจ้าเลยสอนเราให้มาดูความจริงว่าจริงๆไม่ได้สุขหรอกร่างกายนี้ก็ทุกข์ตลอดเวลา ใจิตใจที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงก็เป็นภาระของจิตนะจิตก็มีความทุกข์นะจิตต้องทำงานตลอดเวลาเนี่ยดิ้นรนเดี๋ยววิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดนะดิ้นรนแสวงหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ความดิ้นรนของจิตนะเป็นภาระของจิตนะมันเป็นความทุกข์ของจิตงั้นถ้าเมไหร่เราภาวนานะเราหัดรู้ความจริงของร่างกายร่างกายคือทุกข์ หารู้ความจริงของจิตใจว่าความรู้สึกทุกอย่างที่ผ่านมาแล้วก็ล้วนได้ผ่านไปทั้งนั้นเราหลงยินดียินร้ายด้วยเราก็ทุกขนะ์จะค่อยๆเรียนให้เห็นความจริงตรงนี้ถ้าเมื่อไหรเราเห็นความจริงด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยการคิดเอาแต่เราดูซ้ําแล้วซ้ำอีกนะมีปัญญารู้ความจริงของกายเราจะไม่ทุกข์เพราะกายนะมีปัญญารู้ความจริงของจิตใจเราจะไม่ทุกข์เพราะจิตใจ นี่สิ่งที่เราจะได้จากการปฏิบัติทุกวันนี้มันทุกข์อยู่กับกายกับใจนะไปดูให้ดีอย่างลูกเราลูกเราเกเรอย่าทำไมมันทุกข์ลูกมันไม่ใช่ตัวเรานะแต่ว่าใจเรายึดถือว่า น, นี่ลูกของเราเหราะนั้นลูกเราเกเรแล้วเราทุกข์เมียเรานอกใจของเราอีกแล้วเราก็ทุกข์ ถ้าเฝ้ารู้ทุกอย่างมันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปนะไม่ใช่ตัวเราของเราที่แท้จริงต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นมันก็ไม่ถูกเนี่ยดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆพรุ่งนี้ปีใหม่แล้วอวยพรไปเลยเนาะให้ฉลาดในธรรมะจะได้ไม่ทุกข์นานแ้หันไปทางนั้น